ข้ามจากกับปะวัตนสูตรเอวัมเมสุตังขปเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังพรกว า, ารารนณสียังวิหรารติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใกล้เมืองพาราณสีอิสิปตเนมิกระดาเย ในป่าอิสิปตนะมรุทายวันตัตระโคภะวาปัญจวากีเยภิกขุอามันเตสิพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุปัญจวากีมาแล้วตรัสวา่าเดเวเมภิกเวอันตาปะบาจิเตนะนาเซวิตับาภิกษุทั้งหลาย ส่วนสุดสองอย่างนี้อันปรประชิดไม่ควรเสพโยจ่ายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคคือการประกอบตนพัวพันธ์อยู่ด้วยความใคร่ในการทั้งหลายอีโนโคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนาทสันฮิโตเป็นของเลวเป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์โยจายังอัตากิลมทฐานุโยโคและการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลําบากดุกโคอนาริโยอนัทสั้นฮิโตเป็นทุกข์ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์เอเตเตพิเกเว อุโพอัอนเต อ, อนุปกรรมะมจิมาปฏิปดาต่าคาเตนะอภิสัมพุทธาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างเหล่านี้อันตรถาคตได้ตรัสรู้แล้วจางคูกรนุยยานะกรโุยอุปสมายะอภินยายะ สัมโบธายะนิบานายะสร้างวัตติเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักสุเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดยานย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพานกตมาจะซาพิขกเวมัชิมาปฏิปดาตถาคตเนณะอภิสัมพุทธา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 เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเป็นไนยอยะเมวะอริโยอทั่งกิโกมะโกคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้แหละเสย้ยที่ดังได้แก่สัมมาดิธิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความตำตริชอบสัมมาวาจา วา่าจะชอบสัมมากรรมโตการงานชอบสัมมาอาจีโวเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายาโม О, ความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอายังโคซาพิขเวมัชชิมาปฏิปดา ตถาคตนะอภิสัมพุทธาข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางนี้แลอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วจะคู่กรณี ย, ยานะการณยอุปสมายะอภิญญายะสัมโบธายะนิบานายะสั่งวัตติเป็นข้อปฏิบัติทําให้เกิดจักสุเป็นข้อปฏิบัติทําให้เกิดยาน ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานอีดังโกปะนะพิกาเวดุขั้งอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็ น, นี้แลคือทุกขอริยสัจอริยสัจคือทุกข์ยาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เจราปิ ทุกข่าแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิถูกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โซโกะปริเดวะดุขะโดมนา ส, สุปายาสาปิดูฆ่าความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความทุกขโทมนัสและความขับแขนใจก็เป็นทุกข์ อัปปีเยหิสั่มปโยโ d u ูโคความประสบด้วยสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปีเยหิวิปโยโกุูโคความลัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ยาปิดช่งนะะางณลพติตัมปิทุกขั่งปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้แหมข้อนั้นก็เป็นทุกข์ สร้างขิเตนะปัญจุปาดานขันธาทุค่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์อิดังโกปนาภิกเวทุกขสดสมุทยโยอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก่อนนี้แลคือทุกขสดสมุไทยอริยสัจอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ ยายังตันหา้าปโนภวิกานันดิรากะสังตตาตัตตราตัตตราพินันดินีตันหานีา้ใดทำความเกิดใหม่เป็นปกติเป็นไปกับด้วยความกาหนัดเพราะความเพลินมักเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆเส้ยยที่ดังได้แก่กามตันหา้าความทยานอยาก ในอารมณ์ที่ใกล้าวะตันห้าความทยานอยากในความมีความเป็นวิภวะตันห้าความทยานอยากในความไม่มีไม่เป็นอิดังโคปนาพิกเวทูขันิโรโทอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก่อ น, นี้แลคือทูขันนิโรธอริยสัจ อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุก์โยตตซาเยวะตันหายะอเซสะวิรากะนิโรโธจาโกปตินิสะโกมุตติอนาลโยความดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือความลวางความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยซึ่งตันหานั่นเทียว ดังโคปนาภิกเวทุกข์นิโรธกามินีปฏิปดาอริยสัจจังภิกษุท์ทั้งหลายก่อนนี้แลคือทุกข์นิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อายามีวะอริโยอทั้งยิโกมัโก หนทางอันประกอบด้วยองแปดอันประเสริฐนิเถียวเสยยะที่ดังได้แก่สัมมาดิธิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดาริ ช, ชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมโตการงานชอบสัมมาอาจิโวเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายโม О, ความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอีดังดูขั้งอริยสัจจันติเมพิกเวปุบเบอนานุ ส, สุเตสุธรมเมสุจากคุ้งอุดปาฏิยานังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชา อุตปาฏิอาโลโกอุตปาฏิภิกษุททั้งหลายจากสุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขอริยสัตว์ตังโคปนีดังทุก ข, ข้างอริยสัจจัง ปริญเยยันติเมพิกเวปุเบอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุดปารียานังอุดปารีปัญญาอุดปารีวิชาอุดปารีอาโลโกอุดปารีพิกษุทั้งหลายจากสุยานปัญญาวิชาแสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขอริยสัต์นี้นั้นควรกำหนดรู้ตังโคปนิดังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิขเวปบุเบอนานนสุตเตสุธรมเมสุจักคุ้งอุดปาดิโยานังอุดปาดิ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 อิดังดุคาสมุเดโยอริยสัจจันติเมพิคเวปุบเบอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากกุ้งอุดปาริยานังอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชาอุดปาริอาโลโกอุดปาริภิกษุทั้งหลายจากสุยานปัญญา วิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะสมุทัยอริยสัจตังโคปนิดังดุกะสมุดโยอริยสัจจังประห้าตะบันติเมพิขเวปุเบอนานุสุเตสุทัมเมสุจากคุ้งอุดปาดิ ยานังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าธูกาสมุทัยอริยสัจนี้นั้นควรละ สังโคปนิดังดุคาสมุดโยอริยสัจจังปะฮีนันติเมพิกเวปุบเบอนานันสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุธปาดีญานังอุดปาดีปัญญาอุดปาดีวิชาอุดปาดีอาโลโกอุดปาดีพิกษุทั้งหลายจากสุญาน ปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุขสมุทยัยอริยสัจนี้นั้นเราละแล้วอีดังดุขะนิโรธโอริยสัจจันติเมพิคเวปุบเบอนานันสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุดปาริ ยานังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิภิกษุทั้งหลายจากสุยญานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่ามีทุกขะนีโรธอริยสัต ตังโคพณิดังดุขะเนโรโทรอริยสัจจังสัจจิกาต บ, บันติเมพิโคเวปุบเบอนาโนสุตเตสุธรรมเมสุจากุ้งอุดปาดิยาณังอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิชาอุดปาดิอาโลโกอุดปาดิภิกษุทั้งหลาย จักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะนิโรธอริยสัตว์นี้นั้นควรกระทำให้แจ้งตังโคปนิดังทุกขนิโรโทอริยสัตว์จังสัชชิกตันติเมพิกเว บุเบอ น, นันนนสุเตสุธรรมเเมสุจากคุ่งอุดปาฏิญานังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิภิกษุทั้งหลายจากสุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ดุขะเนโรริยสัตว์นี้นั้นเรากระทำให้แจ้งแล้วอิดังดุขานิโรทกามินีปฏิปดาอริยสัจจันติเมพิโคเวปุบเบอ น, นนุสุเตสุธรมเมสุจากุ้งอุดปาดิยานังอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิชาอุดปาดิ อาโลโกอุดปาดิภิกษุทั้งหลายจกสุญานปัญญาวิ ช, ชาแสงสวา่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในทางที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตังโคปนิดังดุขะนิโรทะกาไมนีปฏิปดาอริยสัจจัง ภาเวต บ, บันติเมพิกเวปุบเบอนันุสุเตสุธรมเมสุจากคุงอุดะปาฏิยานังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิภิกษุทั้งหลายจากสุญาปัญญาวิชาแสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขเนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัตมนี้นั้นควรเจริญตังโคปนิดังทุกขเนิโรธกามินีปฏิปดาอริยสัจจังพาวิตันติเมพิคเวปุบเบอนาโนสุตเตสุธรรมเมสุ จากคุ้งอุดปาฏิยญาณังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิภิกษุทั้งหลายจักสุญาปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า พุทะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นเราจเจริญแล้วยาวกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังดวาดาซาการังยท่าภูตังยานรัศนังณสุวิสุทังอโหสิ ภิกษุทั้งหลายก็ยานทัศนะคือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงมีวนรอบสามอย่างนี้มีอาการสิบสองในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราอย่างไม่บริสุทธิ์เพียงใดเนวตาวะหังพิกเวสเดวเกโลเกสมารเกสับรหมะเก ส, สัสนะบรหัมมณิยาปัญญาสเดวมนุสสัญอนุตรังสัมมาสัมโ o t ิ i อภิสัมพุทโทปัจจัญญาสิงเราก็ยังไม่ปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิ i า a ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมูสัตว พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นยะโตจะโคเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาดาซาการังยาท่าฟูตังยาณดัสนังสุวิสุทธังอโหสิกะเมใด ยานทัศนะคือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงมีวนรอบสามอย่างนี้มีอาการสิบสองในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราบริสุทธิ์ดีแล้วอาธาหั่งพิกเวสเดวเกโลเกสมารเกสะบรหมาเกสั ส, สมณะพรามณิยาปจายะ เสเดวะมนุส่ายะอนุตตรังสัมมาสัมโบทิงอภิสัมบุตโธปัจจัญญาสิงเมื่อนั้นเราจรึงปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทยานในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดา และมนุษย์ยานันจปณ ะ, ะเมทัศนังอุดปาดิก็ยานะทัศนะได้บังเกิดขึ้นแก่เราว่าอากุปปาเมวิมุติวิมุติของเราไม่กำเริบอายามันติมาญาติชาตินี้เป็นชาติที่สุดนัตถิดานิปุนัพพโวติ บัดนี้พบใหม่ไม่มีอิดามาโวจเพกวาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์มี้แล้วอัตมนาปัญจวัคคยาพิคู่พระกวะโตพาสีตังอภินันดุนติภิกษุปัญจวัคคีปลื้มใจชื่นชมพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาค ยิมาสมินจะปณะเวยยยการนรสมิ่งพันยมานีก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยยยการณะพาสิบนี้อยู่อายสมัันโตโกนดัญยสะวิระยังวีตมลังทรา ม, มาจากคุ้งอุรปาดีดวงตาหิมธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่ท่าน โกดัญญะว่ายังกินจิสมุเดยธรรมังสับบรรตังเนโรท ธ, ธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาปวัตติเตจะเพคะก ว, วตาธรรมจักเก ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรแล้วพุมมาเดวาสัตตะมนุษยสาวเวสุ่งพวกภุมเทวดาได้ประกาศว่าเอต่มเพรกวตาบารานสียังอิสิปตเนมิกะดาเยอนุต ร, รังธรรมจักกังปวัตติตังนั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยม อันพระผู้มีพระภาคทรงหมุนแล้วณป่าอิสิวัตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพารณสีอัปปติวัติยังสมเนนวาบรามเนนวาเดเวนวามาเรนวาบรหมุนาวาเกนจีวาโลกสมินติอันสมณะพระรามเทวดามาร รมหรือใครๆในโลกให้หมุนทวนกลับไม่ได้แล้วปุมมานังเดวานังสตังสุตวาจาตุณมหาราชิกาเดวาสัตดัมนุสาเวสุงพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชได้ฟังเสียงของพวกปุมมัเทวดาแล้วได้ประกาศว่าเอตัมพะกวาตา บาลานสียังอิสิปตเนมิกดาเยอนุนตตรังธรรมจักกังปวัตติตังนั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงหมดแล้วณป่าอิสิปตนะมฤุกขทายวันใกล้เมืองพระนสีอปติวัตติยังสมเนนาวาบรมณนนว า, า, เ, นวาเดเวนวา มาเรนวาพระมุนาวาเกนจิวาโลกาสมินติอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครๆในโลกให้หมุนทวนกลับไม่ได้จารต ม, มหาราชิกานังเดวานังสัตตังสุตวาตาวติง้าเดวา สดมนุสซาเวสุง่งพวกเทวดาชั้นดาวดึงในฟังเสียงของพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วประกาศว่าเอตัมเพกวตาบารานาสียังอิสิปตเนมมกดาเยอันุตรังธรรมจักกังปวัตติตังนั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงหมุดแล้ว นปะอิสิปันณะมรุกทายาวันใกล้เมืองพระสศีอัปติวติยังสมเนวมเนวาบรมเนนวาเดเวนวามาเรนวาบรหุนาวาเกนจิวาโลกาสมินติอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครในโลกให้หมุนทวนกลับ ไม่ได้ตาวติงซาังเดวานังสัตดังสุตวายามาเดวาสัตดะมนุสซาเวสุ่งพวกเทพชั้นยามาได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วประกาศว่าเอตํมพระกวตาบารานสียังอิสิปตเนมิกะดาเยอุนตตรัง ธรรมจกกักรกลงประวติตังนั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระผู้ทธมีพระภาคทรงหมุนแล้วณป่าอิสิปตนะมฤุกะทยาวันใกล้เมืองพระนศีอปปิวัติยังสมเนนวาพรามเนนวาเตเวนวามาเรนะวาพระหมุนาวาเกนจิวาโลกสมินติ อันสมณนะพรามเทวดามารพรหรือใครๆในโลกให้หมุนทวนกลับไม่ได้ยามานังเดวานังสัตตังสุ ต, ตวาตุสิตาเดวาสัตะมนุษาเวสุง่งพวกเทพชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นยามาแล้วประกาศว่าเอตัมเพรเกวตา บาราณสียังอิสิปตเนมิกดาเยอนุตรังธรรมจักกังปวติตังนั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงหมแล้วณป่าอิสิปตานามรคขไทยวันใกล้เมืองพาราสีอัปปติวัติยังสมเนนาวาปรามเนนวา เดเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกนจิวาโลกาสมินติอันสมณะพราหม์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนทวนกลับไม่ได้ตุสิตานังเดวานังสัต ด, ดังสุตวานิมมานรตีเดวา สัตตมนุษาเวสุ่มพวกเทพชั้นนิ ม, มานรดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดุสิทธิ์แล้วประกาศว่าเอตัมเพกวตาบารานสียังอิสิปตาเนมิกดาเยอนุตรังธรรมะจักกังปวัตติตังนั่นธรรมะจักอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาค ทรงหมดแล้วนป่าอิสิปัฒนะมรุกทยาวันใกล้เมืองพระรนสีอัปปติวัติยังสมเนนวาปรามเนนวาเดเวนวามาเรนวาพระหมุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติอันสมณนะพรามเทวดามารพรหม หรือใครๆในโลกให้หมุนทวนกลับไม่ได้นิมมานรตินังเดวานังสัตตังสุตวาปะรนิมมิตวสวตีเดวาสัตธะมนุษาเวสุงพวกเทพชั้นปรนิมมิเตวะสวดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นนิมมานรดีแล้วประกาศว่าอิตํมพระกวตา บารานาสียังอิสิปตเนมิกดาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวติตังนั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงหมดแล้วนป่าอิสิปตนะมริกทยาวันใกล้เมืองพารณสีอัปติวัติยังสมเนนวาปรามเนนวาเดเวนวา มาเรนาวาพระหมุนาวาเกนจิวาโลกสมินติอันสมณนะพรามเทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนทวนกลับไม่ได้ปรนิมมิตรวสวตินังเดวานังส ด, ดังสุตวาพระหมกายิกาเดวาสั ด, ดามนุสาเวสุง พวกเทพที่นับเนื่องในหมู่พรมได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นปรณิมมิตวสวดีแล้วประกาศว่าเอตัมภะกวตาปาราณสิยังอิสิปตเนมิกะดาเยอนุตรังธรรมมจักกังปวัติตังนั่นธรรมจากอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงหมดแล้วหน้าป่าอิสิปตนะ มริกาทยวันใกล้เมืองพระสีอปติวัตติยังสมเนนวาปรามเนนวาเดเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกนจิวาโลกาสมินติอันสมณะพรามเทวดามานพรมหรือใครๆในโลกให้หมุนทวนกลับไม่ได้ อิติหะเตะนะคณีนะเตนะมูหะเตนะโดยขณะนั้นโดยครู่นั้นยาวะบรหัมโลกาสัตโดอภุคชิเสียงได้ระเบือขึ้นไปจนถึงพรหมโลกด้วยประการชนี้อายัญจะดสสหัสสีโลกธาตุสั่งกัมปิ สัมปกรรมปิสัมปเวทิก็หมื่นโลกธาตุนี้สะเทือนสถานวันไหวอัปปมาโนจะโอลาโรโอพาโซโลเกป้าตระโหสิทั้งแสงสว่างอันยิ่งหาประมาณมีได้ได้ปรากฏแล้วในโลกอติกกัมเมวะ เดวานังเดวานุภาวังล่วงเทวดานุภาพของพวกเทพพยดาทั้งหลายอัตธโคพรกวาอุดานังอุดานสิครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโผงกโนดัญโยโกโนดัญยะเดียรู้แล้วหนอ ัญญาสิวัตโผ โ, โกณัญโยติโกณัญญะได้รู้แล้วหนออิติหิดังอายสมโตโกณัญญสัตัญญาโกณัญโยตเววะนามังอะหสิติเพราะเหตุนั้นคำว่าัญญาโกณัญญะจึงได้เป็นชื่อของท่านโกณทัญญะ ด้วยประการชนนี้แลถ้ามาจากกัปะวัตนสูตรจบ